สวัสดีคุณผู้ฟังลูกเพจพระเจอผีนะคะใน Facebook แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง u ู u ูบชาแนลพระเจอผีด้วยนะคะวันนี้มีโอกาสนะคะได้ไปอ่านเรื่องราวของ ต้องเรียกว่าเป็นบรมครูนะคะสายธรรมยุท์หรือว่าเป็นพระนักปฏิบัตินะคะที่หลุดพ้นไปแล้วนะคะนั่นก็คือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะในหนังสือเล่มเก่าเล่มหนึ่งที่หลวงตามหาบัวนะคะท่านเคยแจกจ่ายให้กับชาวบ้านอยู่ในสภาพที่เรียกว่าใกล้จะชำรุดแล้วก็เมื่ออ่านดูเห็นว่ามีเรื่องที่น่าสนใจก็เลยค้นข้อมูลคัดเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิ ญ, ญญาณมาลงนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ พิจารณาแล้วก็ได้ฟังกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะเป็นเรื่องที่ท่านนะคะไปประสบพบเจอกับผีหลวงนะคะจากเล่มเก่าช่วงหน้าที่17ถึงหน้าที่24นะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าพอออกพรรษาแล้วพระอาจารย์มั่นนะคะท่านก็เที่ยวจาริกไปทางจังหวัดลบบุรีพักอยู่ถ้ำไผ่ขวางเขาพระงามบ้าง ทำสิ่งโตบ้างขณะที่พักอยู่ก็ได้มีโอกาสเร่งความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดวักขาดตอนใจรู้สึกมีความอดหารต่อตอนเองแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่พลั้นพึงอย่างง่ายดายสมาธิก็มั่นคงอุบายปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นอัดเป็นธรรมไปโดยลำดับ เวลามีโอกาส ก, าก็เข้าไปกราบนมัสการแล้วก็เล่าธรรมะถวายแล้วก็เรียนถามปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับอุบายปัญญากับท่านเจ้าคุณอุบาลีแห่งวัดบรมนิวาสท่านก็ได้รับอธิบายวิธีพิจารณาปัญญาเพิ่มเติมให้จนเป็นที่พอใจแล้วก็กราบลาท่านไปเที่ยวรีเวกทางถ้ำสาริก า, าที่เขาใหญ่จังหวัดนครนายก หลวงปู่มั่นพุทธตโตท่านเล่านะคะว่าเวลาพักอยู่ถ้าสาริกาท่านพักได้ทั้งหมด3ปีแล้วก็ได้ประสบพบกับเหตุการณ์ต่างๆหลายประการทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแทบตลอดเวลาที่พักอยู่จนเป็นที่สะดุดแล้วก็ฝังใจตลอดมานั่นก็คือขณะที่ท่านไปถึงหมู่บ้านถ้าจาไม่ผิดก็คือชื่อหมู่บ้านกล้วยที่อยู่ใกล้กับ ถ้ำมากกว่าหมู่บ้านอื่นก็คือพอพอที่จะโครจรไปบินธบาตได้สะดวกท่านก็เลยขอวานให้กับชาวบ้านไปส่งที่ถ้ำดังกล่าวเพราะว่าหลวงปู่เองก็ ไม่เคยรู้หนทางชาวบ้านก็เล่าเรื่องริดเดตต่างๆของถ้านั้นให้ท่านฟังเป็นถ้ำที่สําคัญอยู่มากพระไม่ดีจริงๆไปอยู่ไม่ได้ต้องเกิดเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ตายกันแทบไม่เหลือหลอลงมาเลยเพราะถ้านี้เนี่ยมีผีหลวงรูปร่างใหญ่แล้วก็มีริดมากรักษาอยู่ผีหลวงตัวนี้ดุร้ายมากคือไม่เลือกพระเลือกใครถ้าไปอยู่ถ้ำนั้นต้องมีอันเป็นไปอย่างมคาดไม่ถึงแล้วก็ตายกันจริงๆยิ่งพระองค์ใดที่อวดตัวว่ามีวิชา อาคมขลังๆเก่งๆไม่กลัวผีแล้วผียิ่งชอบทดลองพระองค์นั้นต้องเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างกระทานหันแล้วก็ตายเร็วกว่าปกติธรรมดาที่ควรจะเป็นชาวบ้านพร้อมกันนิมนต์วิงวอนหลวงพ่อนะคะไม่ให้ท่านขึ้นไปอยู่เพราะว่ากลัวท่านจะตายเหมือนพระทั้งหลายที่เคยไปมาแล้วแล้วท่านก็เลยสงสัยค่ะที่ถามว่าก็เลยถามว่าที่ถ้ามีฤทธิ์เดชต่างๆเนี่ยแล้วก็มีผีใหญ่ตัวนั้นดุอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างไร อาตอมาอยากทราบบ้างเขาบอกกันว่าเวลาพระหรือคาราวาสขึ้นไปพักที่ถ้ำนั้นเนี่ยโดยมากเพียงคืนแรกก็เริ่มเห็นริ้บ้างแล้วแล้วก็ เวลานอนหลับไปก็จะมีการละเมอเพ้อฝันต่างๆโดยมีรูปผีรูปร่างดําใหญ่แล้วก็สูงมากมหาคือจะมาเอาตัวไปอยู่แล้วก็จะฆ่าบ้างโดยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้รักษาถ้านี้มานานแล้วก็เป็นผู้มีอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในเขตแขวงนั้นคือไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ํากล้ามกระายได้ก็เลยต้องปราบปรามหรือกําจัดให้เห็นริษทันทีคือไม่ยอมให้ใครมีอํานาจหรือว่าเก่งกาจยิ่งกว่าเขาไปได้นอกจากนั้นเนี่ย ผู้ที่มีศีลธรรมอันดีงามแล้วก็มีเมตตาจิตคือคิดเผื่อแผ่กุศลแกบ่บรรดาสัตว์ไม่เป็นผู้คับแคบใจดําแล้วก็ต่ําซามทางความประพฤติเท่านั้นจึงจะยินยอมให้อยู่ได้และเขาก็จะให้ความอาราขาด้วยดีพร้อมทั้งเคารพรักแล้วก็นับถือดังนี้ส่วนพระโดยมากที่ไปอยู่กันเนี่ยนะคะคือไม่ค่อยจะมีความผาสุกแล้วก็อยู่ได้ไม่นานต้องรีบลงมาหรือต้องตายเท่าที่เห็นมาก็เป็นทํานองนั้นจริงๆ ใครที่ไปอยู่ไม่ค่อยจะได้เพียงแค่คืนเดียวหรือสองคืนก็เห็นรีบลงมาด้วยท่าทีที่น่ากลัวหรือตัวสั่นแทบไม่มีสติอยู่กับตัวแล้วก็พูดเรื่องผีดุออกโดยที่ยังไม่มีใครถามเลยแล้วก็รีบหนีไปด้วยความกลัวแล้วก็เข็ดหลับไม่คิดว่าจะกลับคืนมาถ้ำนี้อีกได้เลยยิ่งกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังขึ้นไปแล้วก็อยู่ที่นั่นเลย ไม่มีวันกลับลงมาเห็นหน้ามนุษย์มนาอีกต่อไปเลยฉะนั้นจึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวว่าท่านจะอยู่ที่นั่นเลยทีนี้เนี่ยพอท่านขะอาจารย์ท่านก็ได้ถามนะคะว่าที่ขึ้นไปอยู่เลยไม่ลงมาให้เห็นหน้ามนุษย์อีกเนี่ยเป็นอย่างไรกันจึงไม่ยอมลงมา เขาก็เลยบอกว่าคือขึ้นไปก็เลยก็คือตายเลยท่านจึงไม่มีทางลงมาที่จะได้เห็นหน้าอีกแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคือมีพระมาตายอยู่ที่ถ้ำแห่ง น, นี้เนี่ยสี่องค์ล้วนมีแต่องค์เก่งๆทั้งนั้นคือเท่าที่พวกกระผมทราบจากพระท่านพูดให้ฟังเรื่องผีท่านบอกว่าท่านไม่กลัวเพราะว่าท่านมีคาถากันผีแล้วก็ปราบผี ตลอดคาถา อ, อ, อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายผีก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้ท่านเมื่อชาวบ้านบอกเรื่องราวของถ้ำแล้วก็ผีดุให้ด้านฟังเพราะไม่อยากให้ท่านขึ้นไปแต่ท่านกลับบอกว่าไม่กลัวแล้วก็ให้ญาติโยมพาท่านขึ้นไปส่งที่ถ้ำชาวบ้านจึงต้องขึ้นไปส่งอยู่ที่นั่นคือเมื่อไปแล้วก็เลยทำให้เห็นทำให้เป็นต่างๆนา น, ะนะคือมีอาการเจ็บไข้บ้างปวดศีรษะบ้างเจ็บท้องขึ้นมาบ้างคืออย่างสดๆดร้อนๆแล้วเวลานอนเนี่ยคือแบบ เกิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้านจะมาฆ่าบ้างแม้แต่พระที่ขึ้นไปอยู่ในถ้ำนั้นเนี่ยมิได้ไปพร้อมกันต่างองค์ต่างไปคนละวันก็ตามแต่ว่าอาการที่เป็นขึ้นลักษณะคล้ายคลึงกันบางองค์ก็ตายอยู่ในถ้ำนั้นบางองค์ก็รีบลงจากถ้ำหนีไปพระที่มาตายอยู่ในถ้ำเนี่ยก็สีองค์ในระยะเวลาไม่ห่างกัน แต่ท่านจะตายด้วยผีดุหรือตายด้วยอะไรทางชาวบ้านก็ไม่ทราบได้แต่เท่าที่เคยสังเกตมาถ้านี้เนี่ยคือรู้สึกว่าแรงมากแล้วก็เคยเป็นมาอย่างนี้เสมอมาชาวบ้านแถบนี้ก็เลยกลัวไม่กล้าไปทะลึ่งอวดดีแต่ไหนแต่ไรมากลัวว่าจะถูกหามกันลงมาโดยมีอาการร่อดแร่บ้างโดยเป็นศพที่ตายแล้วบ้างท่านถามชาวบ้านว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยเคยมีมาหรือยังเขาก็เรียนกับหลวงพ่อนะคะว่า เคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างฝังใจแล้วก็กลัวกันทั้งหมู่บ้านทั้งรีบบอกกับพระหรือใครๆที่มาถ้านี้เพื่อต้องการของดีอย่างเช่นเหล็กไร้หรือพระศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่ว่าบางคนนี่คือชอบประกาศโฆษณาว่ามีไงคือดังนั้นเนี่ยก็เลยมักจะมีพระแล้วก็คนที่ชอบทางนี้มากันเสมอแต่ก็ไม่เห็นจะได้อะไรติดตัวไปนอกจากความตายหรือรอดตายไปก็เกือบเป็นบ้าเท่านั้นเฉพาะชาวบ้านนี้เนี่ย ไม่ปรากฏว่ามีใครเคยไปเห็นเหล็กไหลหรือของดีอย่างอื่นในถ้านี้เลยเรื่องก็เป็นดังที่เล่ามาจึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปเพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยอย่างที่เห็นเห็นมาพอชาวบ้านเล่าเรื่องนี้จบเท่านั้นแหละค่ะพระอาจารย์มั่นพุริทัตโตท่านก็ไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถ้านั้นท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตายอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองแล้วก็จะเป็นที่แน่ใจกว่าคําบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวให้ฟังก็ตาม แต่ใจท่านเองไม่ได้มีความสะดุ้งหวาดเสียวไปตามแม้แต่นิดนึงเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้นน่นะคะแล้วก็มีความอาจฐานที่จ ะ, ะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุบขณะจิตสมกับเป็นผู้มุ่งสแสวงหาความจริงอย่างแท้จริง ท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิญถ่อมตนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อัตมาคิดว่าอยากจะไปชมถ้ำสักระยะหนึ่งหากเห็นว่าถ้าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณายอมไปส่งอัตมาขึ้นไปอยู่บนถ้ำสักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากจะชมถ้ำนี้มานานแล้วฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นไปถ้ำตามความประสงค์นะคะขณะที่หลวงปู่มั่นพุริทัตโตค่ะไปอยู่ในถ้ำ ในระยะแรกๆ ก, ก็รู้สึกว่าธาตุขันทุกส่วนปกติดีจิตใจก็สงบเยือกเย็นเพราะว่าความเงียบถ้ำนี้คือเงียบสงัดมากคือไม่มีอะไรมาพลุกพล่านก่อกวนนอกจากเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่พากันเที่ยวาหากินตามภาษาของเขาเท่านั้นท่านก็เลยรู้สึกว่าเออมันเย็นกายเย็นใจในสองสามคืนแรกพอคืนต่อไปโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นมาประจําก็กําเริบแล้วก็มีอาการรุนแรงขึ้นเป็นลําดับจนถึงขั้นหนักมาก บางครั้งเวลาไปส้วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่าง ส, สดสดร้อนๆอนก็มีนะคะฉันอะไรเข้าไปแล้วไม่ยอมย่อยเอาเลยคือเข้าไปอย่างเข้าไปเข้าไปในส้วมออกมาอย่างนั้นคือทำให้ท่านเนี่ยวิตตกถึงคำพูดของชาวบ้านว่ามีพระมาะมรณภาพอยู่ที่นี่สองค์เราก็อาจจะเป็นองค์ที่ห้าก็ได้ถ้าไม่หายเวลามีโยมขึ้นไปถ้ำตอนเช้าท่านก็พายโยมไปเที่ยวหายาที่เคยได้ผลมาแล้วมาต้มฉันบ้างฝนใส่น้าฉันบ้าง คือเท่าที่ทราบเนี่ยมันจะเป็นยาประเภทรากไม้แก่นไม้แต่ฉันยาประเภทใดลงไปก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลนะคะโรคก็นับวันรุนแรงขึ้นกําลังกายก็อ่อนเคลียมากกําลังใจก็ปรากฏว่าลดลงผิดปกติแม้ไม่มากก็พอให้ทราบได้อย่างชัดเจนขณะที่นั่งฉันยาได้นึกวิตกขึ้นมาเป็นเชิงเตือนตนให้ได้สติ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 โรคจึง น, นับวันกำเริบขึ้นเป็นลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพยายามฉันไปเพื่อประโยชน์อะไรพอได้สติหลวงพ่อก็คลายจากความวิตกวิจารณ์ที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วท่านก็ตัดสินใจบอกกับตัวเองทันทีว่านับแต่ัตบนี้เป็นต้นไปเราจะระงับโรคพันนี้ด้วยยาคือธรรมโอสถเท่านั้น จะหายก็หายจะตายก็ตายเมื่อสุดกำลังความสามารถในการเยียวยาทุกวิถีทางแล้วยาที่เคยนำมารักษานั้นจะงดไว้จนกว่าโรคนี้จะหายด้วยธรรมโอสถ์หรือจนกว่าจะตายในถ้ำนี้จะยังไม่ฉันยาชนิดใดในระยะนี้แล้วก็เตือนตนว่าเราจะเป็นพระทั้งองค์ที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญทางใจมาพอสมควรจนเห็นผลและแน่ใจว่าต่อทางดาเนินเพื่อมรักผลนิพพานมาเป็นลาดับ ซึ่งควรจะเป็นหลักยึดของใจได้พอประมาณแล้วทําไมจะขี้ขาดอ่อนแอในเวลาเกิดทุกเวทนาเท่านี้ล่ะก็เพียงทุกขเกิดขึ้นเพราะโรคเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเรายังสู้ไม่ไหวกลายเป็นผู้อ่อนแอกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินซีแต่บัดนี้แล้วเมื่อถึงคราวจวนตัวจะชิงชัยเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆคือเวลาขันจะแตกธาตุจะสลายทุกยิ่งจะโหมกันมาทับธาตุขันและจิตใจไม่มีทางที่จะปร่งวาง เราจะเอากำลังจากที่ไหนมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดไปได้โดยสุขโตไม่เสียท่าเสียทีในสงครามล้างขันเล่าพอท่านทำความเข้าใจนะคะกับตนเองอย่างแน่วแน่แล้วก็อย่างมั่นใจแล้วท่านก็เลยหยุดฉันยาเวลานั้นทันทีแล้วก็เริ่มทำสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอสถบำบัดเท่าบา บ, บัดแล้วก็บรรเทาจิตใจบรรเทาธาตุขันต่อไปอย่างหนักแน่น ทอดความอะไรเสียดายในาธาตขันในชีวิตแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาทาหน้าที่ห้าหันจิตดวงไม่เคยตายแต่มีความตายเป็นประจำนิสัยลงไปอย่างเต็มกำลังสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรที่เคยอบรมมาโดยไม่ได้สนใจคำานึงต่อโรคที่กำลังกำเริบอยู่ภายในนะคะว่าจะหายหรือจะตายไปในขณะใดในเวลานั้น หลวงพ่อท่านก็ได้อย่างสติปัญญาลงในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆของธาตุขันออกพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไม่ลดละนั่นก็คือการยกทั้งส่วนรูปกายทั้งส่วนเวทนาก็คือทุกภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกข์ทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดาเนินงาน ทำการขุดค้นคลี่คลายอย่างไม่หยุดยัง้งแต่เวลาพลบค่ำเที่ยงคืนก็คือประมาณ24นาิกานะคะจึงลงเอยกันได้จิตมีกำลังขึ้นอย่างประจักษ์สามารถคลี่คลายธาตุขันจนรู้แจ้งตลอดทั่วถึงทุกคเวทนาที่กำลังกำเริบอย่างเต็มที่จากโรคในท้องโรคก็ระงับดับลงอย่างสนิทจิตก็รวมลงถึงที่ในขณะนั้นค่ะ ขณะนั้นโรคก็ดับทุกข์ก็ดับความฟุ้งซ่านของใจก็ดับพอจิตสงบลงถึงที่แล้วหลวงพ่อท่านก็ถอนออกจากอุปจารสมาธิจิตก็สว่างออกไปนอกกายปรากฏว่าเห็นบุรุษร่างหนึ่งนะคะผู้มีร่างใหญ่ดำแล้วก็สูงกว่าสิบเมตรถือตะบองเหล็กยาวเท่าแขนเท่าขาเนี่ยนะคะยาวราวสองวาเดินตรงเข้ามาหาแล้วก็บอกกับท่านว่า จะทุบตีท่านให้จมลงไปในดินถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายในบัดเดียวนี้ตามที่ผีบอกกับท่านตะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั่นเนี่ยคือตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงหนุเดียวเท่านั้นแหละช้างสารตัวนี้คงจะจมลงไปในดินแบบจมมิดกันเลยทีเดียวโดยไม่ต้องถึงกับต้องตีซ้ําอีกนะคะท่านก็กําหนดจิตถามผีร่างแยกตัว น, นี้ว่าจะมาตีจะมาฆ่าอาตมาทําไมอาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าล่ะ การมาอยู่ที่นี่ไม่ได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรมทําโทษถึงขนาดกับต้องตีต้องฆ่าอัตมาให้ตายเช่นนี้บุรุษร่างยักษ์ตัว น, นั้นนะคะก็เลยบอกว่าเขาเป็นผู้มีอํานาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมาอยู่แล้วก็มายึดครองอํานาจเหนือไปจากตนได้หรอกต้องปราบปรามแล้วก็กําจัดทันทีท่านก็เลยตอบนะคะว่าอัตมามาไม่ได้มาครอบครองอํานาจบนหัวใจใคร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 เขาก็ตอบว่ายังเลยท่านท่านก็เลยถามต่อนะคะว่าถ้ายังท่านก็มีอํานาจไปในทางที่ทําตนให้เป็นคนมืดหนาป่าเถื่อนตั้งหากซึ่งนับว่าบาปแล้วก็สวยกําหนักแต่ไม่มีอํานาจปราบความชั่วของตัวที่กําลังแผงลงฤิ์แก่ผู้อื่นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอํานาจแบบก่อไฟเผาตัวและต้องจัดกําลังจัดว่ากําลังสร้างกรรมอันหนักมากมิหนําซ้ํา จะมาฆ่ามาตีผู้ทรงศีลธรรมอันเป็นหัวใจของโลกถ้าไม่จัดว่าท่านทากรรมอันเป็นบาปหยาบหนาะยิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้วจะจัดว่าท่านทำความดีที่น่าชื่นชมตรงไหนอัตมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งมาทำประโยชน์แก่ตนแล้วก็แก่โลกโดยการประพฤติทธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านยังจะมาทุบตีอัตมาอีกหรือ โดยมิได้คำนึงถึงบาปกรรมที่จะฉุดกระชากลากท่านลงนรกเอเวจีสวยกรรมอันเป็นมหันตทุกข์เลยเหรออาตมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่าจะอะไรในชีวิตของตัวเองอีกเพราะท่านหลงแต่อำนาจของตัวเองจนถึงกับจะเผาตัวเองทั้งเป็นอยู่แล้วในขณะนี้อำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านแล้วอำนาจอันใดจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่กำลังจะก่อตัวขึ้นแล้วก็เผาผลาญตัวเองอยู่ในขณะนี้ ไได้หรือม่ท่านว่าเป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวงปกครองในเขตเหล่านี้แต่อำนาจนั้นมีฤทธิ์เดชเหนือกรรมและเหนือธรรมไปได้ไหมถ้าท่านมีอำนาจแล้วก็มีฤทธิ์เดชเหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอัตมาได้สำหรับอัตมาเองไม่ได้มีความกลัวตายแม้แต่ท่านไม่ฆ่าอัตมาก็ยังจักต้องตายอยู่โดยดีเมื่อการของมันมาถึงเพราะโลกนี้เป็นที่อยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วก็ต้องตายทั่วหน้ากัน แม้ตัวท่านเองที่กําลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอํานาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ขณะ น, นี้แต่ท่านก็ไม่ได้เก่งกว่าความตายแล้วก็กดแห่งกรรมที่ครอบงําสัตว์โลกไปได้คุณผู้ฟังคะในขณะที่พระอาจา ร, รย์มั่นธุริทัตโตกำลังซักถามแล้วก็เทศสั่งสอนบุรุษลึกลับโดยทางสมาธิอยู่นั้นค่ะเขาก็อ๋อท่านก็เล่านะคะว่าเขายืนตัวแข็งบ่าก็แบกตะบองเหล็กเครื่องมือสรงหารอยู่เหมือนตุ๊กตา ไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับเขยือนไปไหนมาไหนเลยคือถ้าเป็นคนธรรมดาเราเนี่ย <_ d ata> ก็จะมีทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหายใจกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่านี่เขาเป็นอามนุษย์พิเศษผู้หนึ่งจึงไม่ทราบนะคะว่า เขามีลมหายใจหรือไม่แต่อาการทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นชัดนะคะว่าเขาก็อายแหละก็กลัวแหละที่ท่านพระอาจารย์มั่นเทศนาสั่งแบบนี้จนสุดจะกลั้นได้นะคะแต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชมตอนท่านแสดงธรรมจบลงเขาทิ้งตะบองเหล็กจากบ่ายอย่างเห็นโทษและเนรมิตภาพาเนรมิตร่างกายนะคะภาพจากอะมนุษย์นะคะามาเป็นบุรุษลึกลับผู้มีกายสูงดำนั่นแหละคือมาเป็นสุภาพบุรุษ พุทธมามะกะผู้อ่อนโยนนิ่มนวลด้วยมารยาทอัธยาศัยสแสดงความเคารพคารวะแล้วก็กล่าวคำขอโทษท่านอาจารย์แบบบุคคลผู้เห็นโทษสำนึกในบาปอย่างถึงใจซึ่งต่อไปก็เป็นใจความของเขาที่กล่าวตามความสัตว์จริงต่อท่านพระอาจารย์มั่นนะคะว่ากระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านแต่แรกเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่แปลกและมหศัศจรรย์มากซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน พุ่งมาจากองค์ท่านมากระทบตัวผมทําให้อ่อนไปหมดแทบไม่อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจิตใจอ่อนเพลียไปตามๆกันไม่อาจจะทําอะไรได้โดยพละการเพราะมันอ่อนแอและนิ่มไปด้วยความซาบซึ้งจับใจในความสว่างนั้นทั้งๆที่ไม่ทราบว่าท่านคืออะไรเพราะไม่เคยเห็นเท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและฆ่าท่านนั้นมันไม่ได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยเลย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 ทั้งทางที่กลัวและใจอ่อนทําไม่ลงและไม่ได้ปรงใจว่าจะทําหากเป็นเพียงแสดงออกพอกิริยาของผู้เคยมีอํานาจเท่านั้นกรรมอันใดไม่งามที่แสดงออกไปให้ท่านของของผมให้ท่านได้เห็นในการน่าเกลียดน่ากลัวในวงนักปราชที่แสดงต่อท่านวันนี้ขอให้ท่านเมตตาอโหสิกรรมแก่ผมเถิดอย่าต้องให้รับบาปผาบทุกต่อไปเลยเท่านี้ก็เป็นอยู่มันก็มีทุกพอสมควรอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มทุกให้มากกว่านี้ ก็คงเหลือเพียงกําลังทนต่อไปไม่ไหวท่านก็ถามเขาต่อนะคะก็คือหลวงหลวงปู่ม่านท่านก็ได้ถามาบุรุษคนนี้ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีอํานาจวาสนามากท่านก็เป็นกายทิพย์ไม่ต้องพาหอบหิว้วเดินเหินไปมาให้ลําบากเหมือนมนุษย์การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกที่เป็นกันแล้วทาไมจึงยังบ่นว่าทุกข์อยู่อีกละ่ะถ้าโลกทิพย์ไม่เป็นสุขแล้วโลกไหนจะเป็นสุขละ่ะเขาก็เลยตอบว่า ถ้าพูดอย่างผิวเผินและเทียบกายกับมนุษย์ที่หยาบหยาพวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่าพวกมนุษย์จริงเพราะเป็นภูมิที่ละเอียดกว่ากันแต่ถ้ากล่าวตามชั้นภูมิแล้วกายทิพย์ย่อมมีทุกไปตามวิสัยของภูมินั้นๆเหมือนกันนะครับระหว่างที่ผีกับพระสนทนากันในตอนนี้ก็รู้สึกว่าละเอียดและลึกลับยากนะคะที่ผู้ที่เขียนจดบันทึกไว้เนี่ยจะนํามาลงในทุกประโยคจึงขออภัยคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็คุณผู้อ่านด้วยด้วยความจนใจสุดท้าย การสนทนาธรรมท่านว่าบุรุษลึกลับมีความเคารพเลื่อมใสในในพระธรรมในพุทธศาสนาอย่างจริงแล้วก็อย่างยิ่งนะคะปฏิญาณตนถึงพระไตสรสารณคมกล่าวอ้างท่านเป็นพระอาจารย์เป็นสรนารณะแล้วก็ยังคงเป็นองค์พยานด้วยพร้อมทั้งให้ความอาราขาแก่ท่านเป็นอย่างดีและขออนุโมนทนพักอยู่ที่นี่ให้นานๆ ถ้าตามใจเขาแล้วไม่อยากให้ท่านจากไปสู่ที่อื่นตลอดอายุของท่านเขาจะเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่านทุกอริยบทไม่ให้มีอะไรมาเบียดเบียนหรือรังแกท่านได้เลยคือความจริงแล้วนะคะคุณผู้ฟังเขาไม่ใช่บุรุษลึกลับแล้วก็ร่างกายดําสูงใหญ่ที่แสดงาภาพต่อท่านเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าแห่งลูกขาเทวดาซึ่งมบีบริษัทบริวารมากมายที่อาศัยอยู่ในภูเขาแล้วก็สถานที่ต่างๆในเขตอาณาบริเวณกว้างขวางมาก แล้วก็ติดต่อกันหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครนายโกโคราชอะไรอย่างนี้เป็นต้น น, นะคะนับแต่ขนาดจิตท่านสงบลงแล้วก็ระงับโรคจนหายสนิทไม่ปรากฏประมาณเที่ยงคืนกับรุกข้าเทพเทวดาเนี่ยคือมาเกี่ยวข้องแล้วก็สนทนาธรรมแล้วก็ลาจากไปแล้วก็จิตก็ถอนขึ้นมาก็ประมาณตีสก็คือสิบทุ่มนั่นเองโรคที่ กำลังกำเริบในขณะที่นั่งทาสมาธิภาวนาพ่อนจิตขึ้นปรากฏว่าหายไปโดยสิ้นเชิงค่ะไม่ต้องอาศัยยาอื่นใดมารักษาอีกต่อไปโรคหายได้เด็ดขาดด้วยธรรมโอสถล้วนๆจงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะคะสำหรับท่านในคืนวันนั้นนะคะพอถอดจิตออกมาแล้ว ท่านก็ทำความเพียรต่อไปโดยมิได้หลับไม่ได้นอนตลอดรุ่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งบทหนึ่งตอนนะคะที่หลวงปู่มั่นท่านก็ได้ไปเผชิญ ก, กันกับผีหลวงนะคะก็แล้วก็จะบอกว่าเป็นพระที่ปฏิบัติ ด, ดีนะคะเป็นพระอาจารย์เป็นบรมครูนะคะสายปฏิบัติสายกรรมฐานหลายๆท่านนะคะที่เป็นพระเกจิ ที่เรารู้ในปัจจุบันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นนะคะยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่บัวหรือว่าหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนนี่ก็อีกรูปหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต้นั่นเองค่ะ